สัมมาทิฏฐินี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้านี่พูดว่าเป็นเหมือนรอยเท้าช้างที่สัมมาที่เหลือเนี่ยมันลงมารวมกัน <c oughs> คือถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยสัมมาที่เหลือเนี่ยมันเกิดเองมันเป็นผลเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไปทํามันนะเอกสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะอะไรพวกนเนี้ยคือพอเรามีสัมมาทิฏฐิเนี่ย เราจะพูดจะคิดจะทํามันพูดคิดทําอยู่บนความว่างบนความไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นการพูดคิดทําของเรามันก็เลยเป็นสัมมาตลอดสายเพราะมันเริ่มจากสัมมาทิฏฐิไปแล้วพอเรามีสัมมาทิฏฐิเราเห็นอะไรอะไรอะไรในโลกเนี่ยเราก็เข้าใจอ๋อสัจธรรมในโลกนี้เป็นแบบนี้มันตกอยู่ภายใต้กฎไตรักมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาคุมไม่ได้การเห็นแบบนี้มันเลยเป็นการเห็นจริงแต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนเราก็ใช้ตัวใช้ตนเนี่ยไปเห็นใช่ไหมถามว่าเห็นเหมือนกันไหมที่ผมบอกมันก็เห็นเหมือนกันแต่มันเห็นไม่ถูกมันรู้แต่มันไม่เห็นเนี่ยมันคือครูบาอาจารย์มันจใช้คําศัพท์ว่าไงดีมันพูดว่ามันเห็นแต่สิ่งที่มันเห็นมันก็มันไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่มันถูกเพราะฉะนั้น จะเป็นสัมมาทิฏฐิยังไงมันต้องเข้ามาเห็นจิตที่มันว่างนี้ก่อนเข้ามาเห็นสภาพเดิมแท้เข้ามาเห็นสภาพปกติรู้จักมันก่อนนี่แหละสัมมาทิฏฐิเกิดแล้วหนึ่งขณะแล้วถ้าเราคิดพูดทำอยู่บนพื้นฐานของความเป็นปกติความว่างอะไรเนี่ยอริยมรรคเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นแล้วเริ่มดําเนินแล้วเริ่มพัฒนาแล้วมันถึงจะเกิดได้ เรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่เข้าใจสภาพสภาวะที่มันมีอยู่แล้วสภาพสภาวะดั้งเดิมหรือที่เขาเรียกว่าจิตเดิมแท้เนี่ยที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยพยายามรู้จักมันเห็นมันสัมผัสมันบ่อยๆจนมันเนี่ยเป็นพื้นฐานของจิตใจแล้วเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราคิดพูดทําการงานอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสัมมาตลอดสาย พเรามีข้อแรกที่มันถูกต้องเนี่ยอย่างอื่นมันก็อัตโนมัติเป็นธรรมชาติของมันเองถ้าเราใช้สัมมาทิฏฐิเป็นตัวอธิบายการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จบที่สัมมาทิฏฐิเลยเราไปเข้าใจว่ามันต้องฝึกหลายอย่างเนเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนี่เป็นขั้นๆขัๆอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่ดูลเนี่ยหรือแม้กระทั่งฮวงโตเนี่ ย, ย, เ, ยเคยพูดเอาไว้ว่า การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิบัติเป็นขั้น ข, นขนัขั้นแล้วบรรลุธรรมไม่ใช่แบบนั้นคือหมายความว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นขั้นเป็นตอนคือพอเรามีสมาธิทิฏฐิปุ๊บเนี่ยมันถึงเลยครบทุกอย่างใช่ไหมมันไม่ต้องไปไหนต่อจริงแล้วมันไม่ต้องเป็นแต่สิ่งที่เราไปไหนต่อมันหมายความว่าเราก็เดินอยู่ในทางนี้แหละทางของสมาธิทิฏิจริงๆมันย่ําอยู่กับสมาธิทิฏฐิเฉยๆถ้าจะพูดนะมันย่ําอยู่กับสมาธิทิฏฐิแหละมันไม่ได้ไปไหนมันถึงแล้ว แต่หมายคือว่าถึงตรงนั้นเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันถึงแบบไม่ขาดสำ บ, บ้านมันถึงแบบไม่สมบูรณ์เราก็มีหน้าที่ย่ําจนมันสมบูรณ์นั่นแหละคนโบราณก็อกข้าวก็ย่ำข้าวเปลือกอะไรใช่ไหมเหมือนเราโม่แป้งใช่ไหมคนโม่แป้งก็โม่อยู่นี่โม่บุญอยู่ตรงนั้นนี่นึกออกไหมมันไม่ได้ไปไหนแล้วหน่อยมันก็อยู่ตรงนั้นออกมาเลยแป้งก็ออกมาเป็นผงให้กินได้ใช่ไหม ข้าวแล้วก็เหยียดอยู่ๆจนมเมล็ดมันแตกออกแตกหมันก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละคําว่าคิปโกอีคีบวอลกิ้งเนี่ยคืออะไรคืออยู่ที่เดิมมันแหละแต่ทำให้มันไไปต่อเนีเออมันไม่ได้มีการว่าจะต้องไปทำอย่างนี้ต่อไปทำอย่างนั้นตไม่ใช่อันนี้ทำอย่างเดียวถ้าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าใจอรยิยมรรคให้ถูกแบบนี้เนี่ย จะปฏิบัติธรรมง่ายจะไม่ต้องรู้สึกซับซ้อนจะไม่ต้องรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องยากเลยจะไม่รู้สึกแบบนั้นเลยมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดเดียวนี่แหละที่จะต้องเดินตั้งแต่แรกผมบอกว่านะักปฏิบัติเราส่วนใหญ่เราไปเข้าใจว่าเราต้องฝึกสติฝึกสมาธิจนมีปัญญาแต่สิ่งที่ผมพูดวันนี้ ผมบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นผลหมดเลยเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้ฝึกมันแต่เรามีหน้าที่เข้าใจสัจธรรมสูงสุดเข้าใจสัจธรรมสูงสุดอันนี้ก็เพียงพอแล้วเข้าใจสภาพเดิมแท้นี้เข้าใจสภาพไม่เกิดไม่ดับนี้เข้าใจสภาวะที่มันมีอยู่แล้วนี้แล้วพอเราเข้าใจตัวนี้ได้เนี่ยสิ่งอื่นๆเนี่ยจะเกิดขึ้นเองตามมาเอง จิตใละปกติอยู่เราว่างอยู่เนี่ยเราทําร้ายคนอื่นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจะคิดไม่ดีกับคนอื่นได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมศีลเกิดไหมเกิดแล้วอัตโนมัติครบหมดเลยในขณะเดียวที่เราเห็นความเป็นปกติที่จิตมันเป็นปกติอันนี้เดี๋ยวอารมณ์อะไรผ่านเข้ามาในจิตใจเราปุ๊บแล้วก็สามารถเห็นมันเฉยๆได้ใช่ไหมเพราะเรายังมีสังโยชน์ใช่ไมเรายังได้เป็นพระผ้าลหันใช่ไหมกิเลสต้องมีใช่ไหมโผมมาแว๊บๆมาให้เราใช่ไหม เออมันมาปุ๊บเราก็เห็นมันเฉยๆใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไหมเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเราจะเข้าใจอ๋อมันเป็นแบบนี้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันเกิดแล้วมันก็ดับมันไม่เพียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราเข้าใจได้ยังไงก็เพราะเรามีจิตที่เป็นปกตินี้เรามีจิตที่มันว่างเป็นพื้นฐานเรามีจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นมันเริ่มที่ตรงนี้แล้วก็จบที่ตรงนี้เลยมันไม่ได้ไปไหน สิ่งต่างๆที่มันเกิดมันเป็นขบวนปุบบปุบ ป, บปบจนเรามีความรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้โลกเป็นไตรลักษณ์เป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งเราเนี่ยจะรู้แต่รู้ด้วยใจเพราะอะไรการที่เราเห็นมันเฉยๆบนพื้นฐานของความว่างเนี่ยเราเห็นสภาวะต่างๆเฉยๆเห็นมันเฉยๆได้ยินมันเฉยๆแล้วเนี่ยสภาวะนั้นความรู้สึกที่จิตนี่เข้าไปเห็นนั้นมันเป็นความบริสุทธิ์มันจะเกิดความเข้าใจคือเข้าไปในใจนี่เลย แต่ถ้าเรายังไม่มีสภาพว่างนี้อยู่เนีเราก็มีตัวตนถูกไหมจิตที่เราไม่ปกติเราก็มีตัวตนใช่เราไปเห็นมันเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเรามีกำแพงของตัวตนเนี่ยขวางกั้นสภาพความจริงที่เราเห็นเช่นใตละความเป็นตัวตนเนี่ยมันขึ้นมาขวางกั้นแทนที่ความเข้าใจนี้จะทะลุเข้ามาที่ใจได้แต่มันโดนไอ้กำแพงของตัวตนเนี่ยมันขวางกั้นเพราะนั้นความรู้นี้เข้าที่ไหนเข้าสมอง มันเข้าสมองแทนเพราะว่าความเป็นตัวตนนี้รับข้อมูลนี้เข้าไปแทนมันเลยเข้าไปไม่ถึงใจพอมันเข้าไปไม่ถึงใจผมก็เลยบอกว่าถามว่ามันเข้าใจไหมไตลักษ์มันเข้าใจแต่มันเข้าใจด้วยสมองไม่ใช่เข้าไปในใจจริงๆมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่เรารับมาในการปฏิบัติตธรรมไม่ว่าจะเป็นอริยมรรคนองค์แปไม่ว่าจะเป็นปฏิจจาคมูปาฏไม่ว่าจะเป็นไตลักษ์ ไม่ว่าจะเป็นอิทัปิปัจญาตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไม่ว่าจะเป็นเกิดดับถามว่าสิ่งเหล่านี้เราไปทําอะไรมันเราไม่ได้ทําอะไรเราไปสร้างอะไรมันเราไปฝึกเพื่อจะเห็นเาวเลยมันเห็นเองมันเป็นไปเองหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเป็นเริ่มจากที่เดียวเรามีหน้าที่แหวกเมฆหมอกแล้วค้นพบดวงจันทร์ดวงจันทร์นี้มีอยู่แล้ว เราค้นพบมันรู้จักมันจนเราเป็นหนึ่งเดียวกับมันแล้วเราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและเหนือโลกได้หมดทุกอย่างและเอกองค์ความรู้ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งองค์คุณธรรมที่มันจะทําให้เกิดการบรรลุธรรมได้เนี่ยมันเป็นเองมันหมาเองมันสะสมเองมันอยู่ในทางเองเปรียบเสมือนเราโมแป้งที่ผมบอกหรือเราเหยียบเข้าเปลือกลวงข้าวเนี่ย เราเหยียดอยู่กับที่เราโม่แป้งแล้วก็หมุนอยู่กับที่ใช่ไหมแต่กระบวนการกวับออกมาเป็นแป้งได้ข้างในนั้นน่ะเป็นธรรมชาติของกระบวนการนั้นใช่ไหมผมไม่ต้องไปอธิบายว่าเพราะว่าหินก้อนนี้เบียดกับก้อนนี้เกิดแรงแบบนี้ด้วยอัตราเร่งแบบนี้มันถึงออกมาเป็นแป้งแบบนี้หรือเป็นเมล็ดข้าวแบบนี้ด้วยการเหยียบแบบนี้อะไรธรรมชาติ ขัดเกลาธรรมชาติดาเนินของมันเองจนผลมันก็ออกมาแป้งก็ออกมามเมล็ดข้าวเปลือกก็หลุดออกมาเราไม่ได้มีหน้าที่จะต้องไปเพิ่มเติมอะไรมากกว่าจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นจุดเดียวด้วยไม่ต้องไปไหนมากกว่านี้การที่เราจะไปไหนมากกว่านี้เช่นอยากจะรู้ชัดอันนี้เป็นปัญหาแล้ว เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าอะไรมันเคยได้ยินมาว่ารู้ชัดหรือมันเคยรู้สึกว่าเมื่อก่อนรู้ชัดมันอยากจะรู้ชัดทีนี้ปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาไม่ใช่ชัดกับไม่ชัดปัญหาคือมีความอยากแล้วก็ทุกข์เพราะความอยากธรรมชาตินี่มันจะขัดเกลาธรรมชาตินี้มันจะเป็นไปของมันเองเราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจสัจธรรมเราเรียนรู้แล้วเข้าใจ ะระหว่างทางเราก็ต้องให้ธรรมชาติเป็นคนจัดการเหมือนกันไม่ใช่เราไปจัดการถ้าเราจะไปจัดการไม่ใช่ธรรมชาติแล้วเรากำลังไปฝืนธรรมชาติบางอย่างคำว่าวิปัสสนาเนี่ยมันคือการเข้าใจสภาพที่มีอยู่แล้วนี้เห็นสภาพที่มีอยู่แล้วนี้แล้วพอเราเข้าใจเราก็เห็นแล้วก็สัมผัสสภาพที่มีอยู่แล้วนี้วิปัสสนานี้ จะไปเข้าใจสัมผัสแล้ก็เห็นสภาพในโลกได้จริงแล้วเราเลยจะเข้าใจสัจธรรมสองสิ่งนี้คือสัจธรรมเหนือโลกแล้วก็สัจธรรมในโลกอันนี้แหละวิปัสสนาไม่ใช่แค่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าเราไม่เห็นสัจธรรมที่มีอยู่แล้วอันนี้สภาพที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วเราไปเห็นไตรลักษณ์แล้วก็บอกว่าเราวิปัสสนาไม่ใช่เราจะวิปัสสนาได้ไงเรายังมีตัวมีตนอยู่เต็ ม, ตมๆจะวิปัสสนาไง